โดยท่านววชิราเมธีบรรยายนะธรรมสภาสูนิปัญนาสากลไรเชิญตะวันตำบลห้วยศักด์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2558ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบัตรนี้ เรามีชีวิตครอบครัวที่ไม่มีความสุขอายุเราจะสั้นลงไในและในชีวิตจริงนี่ความตายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะบางทีเราก็สอนคนอื่นทําเพื่อคนอื่นหลายคนทําเพื่อสังคมตลอดแต่ไม่ได้ทําเพื่อตอัวเองทําเพื่อสังคมจนเมามันสนุกสนานกลับเข้าบ้านก็นหลับเป็นตายลืม ลืมไปว่าตัวเองก็มีภาระฉะนั้นกิจกรรมเมื่อวานเนี่ยภาคบ่ายให้นอนสมาธิเพื่อฟื้นฟูเราไม่ค่อยคิดเราไม่จะคิดถึงสุขภาพตอนที่เราป่วยอะตอนที่เริ่มไม่ดีเราถึงจะคิดถึงมันนะมีนิทานเซนเรื่องหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่ง เมื่อเรียนจบเพื่อนๆมาแสดงความยินดีพร้อมด้วยของขวัญมากมายในบรรดา ข, ของขวัญที่เขาได้รับนั้นมีของขวัญชิ้นหนึ่งพ่อเป็นคนมอบให้พ่อมอบม้าฝีเท้าดีให้ตัวหนึ่งชายหนุ่มเห็นแล้วดีใจมากกระโดดขึ้นควบขี่ทั้งๆ ท, ท, ที่ยังอยู่ในชุดครีปริญญาเลยม้าวิเศษตัวนี้ต่างจากม้าทั่วไป พอใครกระโดดขึ้นคั้วปุ๊บมันจะวิ่งเลยและพอมันออกวิ่งปับ๊บหยุดไม่ได้ใช่หนุม่มขึ้นคัวหมาตัวนี้มันวิ่งจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองจากถิน่นสู่ถินจากประเทศสู่ประเทศจนกระทั่งรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเขาผมสีดอกเหลาเรียบร้อยแล้วหัวขาวโพลนไปครึ่งหัวหมามันวิ่งด้วยความเร็วเขาหยุดไม่ได้และลงไม่ได้ วันหนึ่งวิ่งไปจนถึงฟลอเรนซ์ที่อิตาลีซึ่งเป็นเมืองแห่งศิลปะเช้าวันนั้นอากาศดีเหลือเกินลมหนาวกำลังรำเพยอ่อนๆมีศิลปินมาสีไวโอลินมีนักทองเที่ยวเยอะแยะมากมายมาเดินตามถนนคนเดินจิบกาแฟอย่างมีความสุขเสียงนกกำลังขับขานเม่กำลังเคลียร์ไหลเขา กลิ่นหอมของกาแฟะตะลบอบอวลไปทั้งหบเขาผู้คนใช้ชีวิตอ้ยอยอิงยังมีความสุขแต่แล้วชายหนุ่มควบม้าผ่านเข้ามาอย่างบ้านเมืองที่แสนสงบนั้นผู้คนนับหมื่นแตกหือเลยตะโกนถามขึ้นไปว่าลุงลุงเจรีบขี่ม้าไปไหนนี่มันถนนคนเดินลุงก็ตะโกนสวนลงมา ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพาลงไปไหนคุณเพื่อถามให้ลุงหน่อยสิว่าม้าจะพาลงไปไหนพูดเสร็จม้า ก, ก็ควบต่อไปอย่างรวดเร็วยังไม่รู้ว่าป่านนี้ชายหนุ่มลงจากหลังม้าหรือยังนี่มันเรื่องเมื่อสองพันปีแล้วนะไม่รู้แกลงจากหลังม้าหรือยัง อะไรคือมา้าและอะไรคือชายนมม้าก็คืองานพอเราเรียนจบปั๊บเราทำงานและเมื่อเราทำงานแล้วเนี่ยบางทีมันก็เพลินกับงานเนะใช่ไหมเราเพลินกับงานมากพ่อป่วยแม่ป่วยเราไปลาลาไม่ได้ ติดสอนพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลโทรไปเยี่ยมเอาแม่ป่วยโทรไปเยี่ยมเอาติดประชุมพอพ่อตายขึ้นมาไปลาพออพอ อ, อบอกว่าคุณลาไปเลยตามสบายให้เดือนหนึ่ง <c oughs> เมื่อเราได้เวลามาเต็มที่พ่อแม่อยู่กับเราไหมไม่เหลือแล้ววันนั้น ฉะนั้นพระอาจารย์ถึงอย่างให้พวกเราเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเองถึงให้นอนสมาธิเพื่ออะไรเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพบางช่วงที่พระอาจารย์ไม่ลงพระอาจารย์ก็นอนพระอ า, าจารย์ให้ครูบาอาจารย์มาลงเทศแทนเห็นไหมพระอาจารย์ก็ต้องเรียบนอนเพราะถ้าเรามีทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่มีสุขภาพทุกอย่างที่มีไม่มีความหมายเมื่อเรามีรถรถจอดอยู่ข้างนอกน่ะหลายคนเอารถมาเรามีรถรถจอดอยู่ข้างนอก เรามีเงินเงินอยู่ในธนาคารเรามีลูกลูกอยู่ที่บ้านเรามีภรรยาภรรยาก็ไม่ได้มาด้วยเรามีตําแหน่งป้ายตาแหน่งก็ตั้งอยู่ที่โต๊ะในที่ทํางานนั่นแต่ถ้าเรามีโรคอยู่ในนี้คุณไปไหนโรคไปด้วยคุณยืนโรคยืนคุณนั่งโรคนั่งคุณเข้าห้องน้ําโรคเข้าด้วยพอ อ, อพาไปไประชุมต่างประเทศมันบินไปด้วยไม่ขอวีซ่าเลย ฉะนั้นถึงต้องให้พวกเรามาทำกิจกรรมกายคตาสติภาวนาหรือท o t ท l ล e l ล x a ซ i ชันเพื่อพิจารณากระบวนการใช้ร่างกายของเราตั้งแต่หัวจรดเท้าพิจารณาลงไปเราใช้เขาดีไหมตาที่มีประโยชน์นักหนาเนี่ยเราใช้เขาเนี่ยเราทะนุถนอมไหมจมูกหายใจอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยเราดูแลเขาไหมตาบไตไส้พุงเราดูแลหรือเปล่า ให้พิจารณาจากหัวจาหลดเท้าจากปลายเท้าจาหลดปลายผมมีครูคนหนึ่งมาบอกพระอาจารย์ว่าเมื่อวานผมพิจารณายังไม่พ้นตาเลยผมหลับยังไม่ถึงเท้าเลยหลับก่อนก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดการที่เราได้หลับลึกจริงๆพร้อมกับด้วยบทนำภาวนามีงานวิจัยของอเมริกาบอกว่าถ้าเราหลับไปพร้อมกับสมาธิภาวนา หชั่วโมองเท่ากับโกที่นอนเต็มๆหกชั่วโมองฉะนั้นพอตื่นมาเนี่ยครูจะรู้สึกว่าสดชื่นมากอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากครูของเรานะอย่ามัวแต่รับใช้เพื่อนมนุษย์อย่ามัวแต่รับใช้พระศาสนาจนกระทั่งหลงเหลิมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือรากฐานในการรับใช้รากฐานในการทําประโยชน์คือกายกับใจนี้คุณมีทุกอย่างนะ่ แต่ถ้าคุณไม่มีสุขภาพบรรดาสิ่งที่มีไม่มีความหมายโลกไม่มีเราโลกหมุนต่อไปได้เราไม่มีเราทุกอย่างจบนี่คือความหมายของกายคตตาสติภาวนาแล้วคนเรานี้จะเปลียบไปก็เหมือนสัตว์สองชนิดชนิดหนึ่งเหมือนอูดชนิดหนึ่งเหมือนมา้า มาเวลาเราควบขี่ถ้ามันเหนื่อยมันริ้นห้อยนะใช่ไหมม้านี่มันออกอาการเลยนะถ้ามันเหนื่อยนะแต่อูดเนี่ยเรานั่งมันไปในทะเลทรายมันมันลากยาวเลยสองอาทิตย์ไม่สแสดงอาการเลยนะไปแบบสบายสบายชิวๆนั่งไปบุลเองปุลเองบุลเองบุลเ ง, ง, งไม่ออกอาการเลยแต่ถ้ามันเหนื่อยมันล้มตึงตายเลย คนบางคนเหมือนมะคือทำงานไปแล้วเหนื่อยป่วยหาหมอหมอบอกว่าเออคุณดูแลสุขภาพหน่อยนะเอายาไปกินตั้งแต่นั้นเริ่มระวังตัวรู้ละข้างในไม่ดีกินยาดูแลสุขภาพคุมอาหารอายุยืนคนบางประเภทไม่ป่วยเลยไม่เป็นไรเลยร้อยวันเป็นปีไม่เป็นอะไรทำงานเป็นพายุบุขแคมสนุกมาก แล้ววันหนึ่งล้มตึงเพื่อนวางพวงหลีดเลย <c oughs> คนจริงป่วยครั้งเดียวตายเลยฉะนั้นเรื่องสุขภาพมันจึงเหมือนม้าแลยอูดนะบางคนมีสุขภาพเหมือนมา้าทำงานไปป่วยไปแต่เพราะรู้ว่าป่วยจึงระมัดระวังและดูแลตัวเองไม่ตาย ง, ง่ายๆเืางคนไม่เป็นอะไรเลยล้มทีเดียวตึงไปเลยประมาทไม่ได้กลับมาลาลูกลาเมียนี่ ฉะนั้นในชีวิตจริงเราไม่ได้มีเวลามากอย่างที่เราคิดนะจะทําอะไรต้องเรียบธรรมไปก่อนมีเพื่อนพระอาจารย์เป็นท่านพระครูอยู่ที่วัดใกล้ๆเนี่ยสนิทกันมากทํางานด้วยกันมานานปีก่อนเข้าพรรษาแกไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งลำไส้พระอาจารย์ก็ไปเยี่ยมจะกก็ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงหัวเราะเ อ, อื้อกอ๊กมีความสุข เราก็ตบหลังแกบอกว่า อ, อย่างนี้ไม่ตายง่ายๆหรอกเยีเเ่ยมเสร็จก็กลับมาแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวต้องมายอย่างน้อยเดือนละครั้งฟังจากคนที่ไปเยี่ยมก็บอกอาการดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเราก็เบาใจก่อนออกพรรษาหนึ่งอาทิตย์ลูกจิตแกโทรมาหาอาตมาท่านว่ท่านพระครูออกมาอยู่วัดแล้วนะ ท่านบอกว่าอยากได้ล่มสักคันท่านว่าจะเป็นเจ้าภาพไหมพระอาจารย์มา อ, อุ้ยสบายเดี๋ยวจัดให้แต่ว่านี่มันจะออกพรรษาแล้วจะเอาล่มไปทําไมประหลาดฝนก็หมาดฟ้าแล้วจะเอาล่มไปทําไมพระอาจารย์ก็เลยบอกอเอเดี๋ยวรับเป็นเจ้าภาพให้วันลุกขึ้นพระอาจารย์ไปเทศที่กรุงเทพ ตอนเย็นบินกลับมาแหวบบิก๊กซีพร้อมลูกศิษย์ก็ไปซื้อร่มบอกลูกศิษย์ว่าไปเลือกร่มที่ดีที่สุดจะเอาไปถวายพระลูกศิษย์ขึ้นไปชั้นสองพอลูกศิษย์ขึ้นไปชั้นสองก็ไปบอกเจ้าของร้านวะเนี่ยพระอาจารย์วออยากได้ร่ม พอรู้ว่าเป็นเราอยากได้ร่มเนาะช่วยกันเลือกอย่างดีแล้วได้มันสองคันสีฟ้าหนึ่งสีชมพูลายดอกไม้อันนึงลูกศิษย์เอาลงมาให้บอกพระอาจารย์อันนี้ดีสุดในร้านในเจ้าของเขาถวายไม่ต้องจ่ายตังค์อดามาคิดในใจว่าแหมร่มอย่างนี้มันจะเอาไปให้พระได้ไงอะ่ะใช่ไ้ยแต่เราก็ไม่ว่าล่ะเขาถวายก็เลยเก็บร่มมาแล้วมาวางไว้ในห้องพระอาจารย์ในกุฏิเนี่ย คิดในใจว่าเออเดี๋ยวอีกสองสาวันเราต้องไปเลือกด้วยตัวเองแล้วละ่ะให้ลกูกศิษย์ไปเลือกในไม่เดือดรองเอาร่มมาวางไว้ปลายเตียงเดี๋ยวสองสาวันจะไปใหม่ไปเลือกเองเลยมาให้ท่านพระครูเพราะท่านอยากได้ตีหนึ่งคืนนั้นมีโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาหลังเที่ยงคืนนี้มันไม่น่ารับนะไม่ใช่เรื่องดีหรอกใช่ไหม คนปกติเขาไม่โทรมาแน่แล่ะยิ่งโทรมาหาพระจานทร์นี่ไม่มีหรอกลูกศิษย์เอาโทรศัพท์มายืน่นพระจานทร์ข่าวไม่ไดีฮลัลโหลเพื่อนพระจานร์โทรมาบอกว่าเออนี่ท่านวอรู้ยังท่านพระครูท่านไปแล้วนะไปไหนโลกน่ะได้มาําจริงเหรอชริงเมื่อไหร่เมื่อกี้นะี่ห้านาทีนะี่เสียแล้ว ทำไมคนลุกเลยเนี่ยตอนนี้ตอนเล่าเนี่ยคนลุกเลยคนลุกเลยสิ่งแรกที่พอรู้ว่าท่านเสียสิ่งแรกที่เราคิดคือร่มอยู่ปลายเตียงนะกลัวแกจะมาเอาร่มเ <c oughs> ปิดไฟทุกดวงเลยตายแล้วผูกใจว่าจะถวายร่มถ้าไปแค่วันเดียว ไม่ทันถวายก็ตายซะแล้วฉะนั้นถ้าเราอยากทำความดีแม้กระทั่งกับตัวเองหรือญาติพี่น้องอย่าเรานะอย่าร อ, นะ อ, า ร, อรอแล้วไม่ทันนะ tomorrow is now พรุ่งนี้คือวันนี้ next is now นาทีถัดไปชั่วโมงถัดไปก็คือตอนนี้อยากทาคุณงามความดีทำทันทีแต่อยากทำชั่วอย่าทำทันทีนะอยากทำคุณงามความดีอยากดูแลตัวเองอยากดูแลพ่อแม่อยากดูแลคนอันเป็นที่รักอยากดูแลครูบาอาจารย์อยากทำสิ่งที่มีแก่นมีสารต่อชีวิตทอทอทอทำทันทีแต่ถ้าอยากทำชั่วเนี่ยประเิงเวลาให้ช้าที่สุดไม่ต้องทำไม่ต้องตามมันฉะนั้นถ้าเราอยากทำคุณงามความดีนี้เราต้องถือคติเลย นะ next is now ช่วขณะอึดใจถัดไปคือตอนนี้วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เราเคยคิดอยากทำอะไรแล้วเราบอกว่าเอาพรุ่งนี้ก่อนพอตื่นมาอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เป็นวันนี้ใช่ไหมมันเร็วไหมคุณครูนั่งภาวนาอยู่ตรงเนี้ยใจคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านนะตื่นมาอีกทีหนึ่งเอาพรุ่งนี้แล้ว หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทําทําไม่ทันเห็นหรือยังฉะนั้นมรณสติเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนะไม่เรียนไม่ได้พอไม่เรียนแล้วเราประมาทใช้ชีวิตดังหนึ่งคนจะไม่แก่ไม่ตายพอรู้ว่าท่านพระครูเส้นวันรุ่งขึ้นออกาม า, าพับก็ไปกราบศพท่านไม่ลืมที่จะหยิบล่มไปด้วยสวยไม่สวยก็ต้องถวายแล้วนะเวลาหมดแล้ว ไปกราบท่านคิดในใจท่านพระครูขอโทษนะคขังร่มท่านไว้แต่ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวงานสอบท่านผมถวายร่มคิดในใจวันต่อมาผู้ใหญ่บ้านและเจ้าคณะตําบลพระสงฆ์ยกกันมาหาธรรมาอาธมายังรู้สึกผิดไม่หายนะก็เลยบอกท่านว่าพ่อหลวงธรรมารู้สึกผิดต่อท่านพระครูนะ รับปากว่าจะถวายร่มท่านหรือไม่ท่านถวายอยากให้ธรรมาช่วยอะไรก็บอกเขาก็ไปไประชุมกันเพราะเราได้ลั่นวาจาไปแล้วอยากให้ช่วยอะไรก็บอกเขาก็เลยบอกเอางี้แล้วกันจะทำปราศาสตบรรจุร่างท่านแบบล้านนาไทยแบบเมืองเหนือเป็นรูปนกหัดเสดลิงรู้จักนกหัเสดลิงไหม ตัวเป็นนกหัวเป็นช้างตัวเป็นนกหัวเป็นช้างใช้บรรจุสรีระสังขารของครูบาทางเมืองเหนือเวลามรณาภาพตอนเป็นๆ อ, อยากก็ไปอยู่ในนั้นนะ <c oughs> สูงมากเลยสวยมากเป็นนกในวรรณคดีพุทธศาสนาสำหรับผู้มีบุญญาธิการเท่านั้น <c oughs> เวลาเข้าไปขี่อยู่บนหลังนกนี้แล้วหมายถึงว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ ไปไหว้พระเกจีแก้จุฬามณีพอเขาประชุมเสร็จเขาก็มาบอกพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าจะรับเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพระอาจารย์รับเป็นเจ้าภาพปราสาทแล้วกันนะะอาจารย์บอกไม่มีปัญหาสําหรับท่านพระครูเท่าไหร่ก็ได้เออแล้วมันเท่าไหร่หลังละสองแสนเราช็อกเลยนี่ถ้าเราซื้อล่มถ้วยเ <laughs> <laughs> ต็มที่ก็สามร้อย เพราะรู้สึกผิดก็เลยต้องทำประสาทถวายท่านหนึ่งหลังสองแสนบาทแล้วก็ตั้งศพร้อยวันจะถึงวันพระราชทานเพลิงศพท่านก็ น, นิมนต์พระนักเทศน์เทศภาคเช้าพระพยอมภาคบ่ายพระมหาสมปองก่อนเผาศพท่านวอวันที่จะเผาเนี่ยพระอาจารย์ยังติดเทศอยู่ที่กรุงเทพท่านเจ้าคุณพยอม พระมหาสมปองขึ้นมาก่อนสองท่านนี้ไม่เคยเห็นนกหัดเสดลิงมาก่อนโดยเฉพาะพระมหาสมป อ, อมง อ, อยู่อีสานแกมาเทศเทศเสร็จแกก็บินกลับก่อนจะบินกลับไปนั่งรอแต่มาภาพอยู่ที่ห้องวีไพีสนามบินอาจารย์ลงเครื่องบ่ายสามท่านสมปองมารั้มท่านวโอ้โหผมไปเห็นมาละนกหัดเสดลิงตัวเป็นนกหวัวเป็นช้างโอ้โหอีสานไม่มีนะอย่างเงี้ยสวยอดมา ข้าบ้านบอกว่าท่านวอเป็นเจาภาพนะโอ้โหสวยจริงจถ้งท่านสมปองชมไม่ขาดปากอาจารย์เลยถามวาสมปองสวยจริงปะสวยดิอยากได้มะมแกเลยบอกงั้นผมลาแล้วครับ <c oughs> เรื่องนี้เป็นอุทธรณ์สอนพวกเราสอนพวกเราว่าถ้าเราอยากทำอะไรดีๆ แม้กระทั่งกับตัวเองกับคนที่เรารักกับพ่อกับแม่ลูกแก้วเมียขวัญสามีพันธยาท่านเจ้าวาดผู้อำนวยการผู้เป็นที่รักของเราที่โรงเรียนเราต้องรีบนะเราต้องรีบอย่างหลวงพ่อท่านมานั่งฟังเรานยเราต้องฟัง ท่านบ่นอะไรออกมาบางทีมันอาจจะเป็นทานส่งสัญญาณอยากช่วยท่านอยากทำความดีกับท่านต้องรีบเนอะอย่าไปแปะไว้นะเราเห็นต้นพระป่าเราคิดในใจทำไม่ทำเราจะทำบุญดีไหมน ะ, ะลังเลไม่ได้นะพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้วนะเห็นไหมฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ใหญ่มากโลกไม่มีเราเนี่ยโลกมุด หมูนเราไม่มีเราเนี่ยเป็นไงทุกสิ่งทุกอย่างจบเลยความฝันบรรดามีพังทลายหมดปิดฉากแล้วแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้โคท้ากลับมาเกิดเป็นคนไม่ใช่ของง่ายเลยจริงๆที่ประเทศญี่ปุ่นมีครอบครัวไก่อยู่ครอบครัวหนึ่งทุกเช้าไก่ตัวนี้จะตื่นขึ้นมาตอนตีห้า บินขึ้นไปเกาะอยู่คาคอบม้แล้วปรบปีกโกงคอขันโกงคอขันแล้วมันก็ปรบปภูมิใจภูมิใจว่าเพราะฉันขันตะวันจึงขึ้นมันขันเสร็จมันรอสักพักตีห้าครึ่งพระอาทิตย์ขึ้นญี่ปุ่นจึงมีชื่อว่าแดนอาทิตย์อุทัยเห็นอาทิตย์ก่อนใครในภูมิภาคนี้มันทำอย่างนี้สบกว่าปี ทุกเช้ามันเบนขึ้นไปเกาะคาเกาไม้โกงคอขันสักพักพระอาทิตย์ขึ้นมันก็ภูมิใจเพราะฉันขันตะวันจึงขึ้นมีความสุขเหลือเกินอยู่มาวันหนึ่งมันป่วยสุขภาพชุดโสมมากวันหนึ่งมันขันหลายรอบโยมก็นิมนต์ให้ไปขันหลายที่แล้วกันตื่นมาตอนเช้ารู้สึกตัวรุมรุม ไม่ไหวแล้วร้อนในร้อนในที่ปากที่คอที่ลิ้นพร้อมกันรับกิจในมนเยอะให้ตัวไหนไปขันแทนโยมก็ไม่พอใจเ <c oughs> มื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามบินขึ้นไปเกาะ อ, อยู่บนคาเขในสภาพไม่เต็มร้อย low battery พยายามโก่งคอขันเหมือนทุกวันมันโก่งคอขึ้นมาแล้วก็ขัน ไม่มีเสียงต่อมาเลยตามหลักมันต้อง x e x นะอันนี้มันไม่มีเสียงยมันได้แค่ x แล้วหายเลยแล้วดันใดนั้นโลกก็หมุนโลกก็หมุนมันก็หลุดจากคาครบไม้หล่นคว้างคว้างคว้า ง, างตกพุกลงมาดินพัดผัดผัดั ด, ด, ด, ด, ด, ดอยู่ใต้ต้นไม้ ลูกและเมียของมันมาหาเมียถามว่าที่รักเป็นอะไรอย่าเพิ่งตายนะพอระบกใกล้คอดนะลูกก็โผเข้ามาช้อนขอพ่อขึ้นมาพ่อเป็นอะไรพ่อขันกนะ็เป็นการรับใช้พรษษษะศาสนาอย่างหนึ่งเงินเดือนไม่เอาอยู่แล้วไม่เชื่อเลยพ่อ พ่อบอกว่าเออเธอทีอ่รักลูกพ่อพี่คงไม่ไหวแล้วแบกประมานานนักหนาแล้วพี่ไม่ห่วงตัวเองหรอกพี่ห่วงชาวโลกห่วงว่าพรุ่งนี้ถ้าพี่ไม่ขันตะวันมันจะไม่ขึ้นยังไงก็ตามแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดีแน่ๆแล้วแต่ชาวโลกยังไม่รู้หรอกตอนนี้นะ เธอและลูกไปกว้านซื้ออาหารไม้เยอะที่สุดเก็บไว้เพราะพ่อพี่ไม่ขันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยวันไม่ขึ้นโลกทั้งโลกมืดหมดวาระสุดท้ายของโลกกำลังเดินทางมาถึงวันนี้เธอพากันออกไปไปกว้านซื้ออาหารเก็บมากักตุนให้เยอะที่สุดไปที่วัดขอมามา่มาและปลากระป๋องหลวงพ่อมา <c oughs> เอาไปเก็บไว้ในถ้เอาเถอะพากันไป เดี๋ยวค่อยมว่ากันพ่อจะยังไม่ตายหรอกนะลูกและเมียก็พากันไปเก็บสะสมสเสบียงกล่างพระรู้แล้วว่าพรุ่งนี้ถ้าวนันแรกครอบครัวไม่ขันตะวันไม่ขึ้นแน่นอนตอนหัวค่ำลูกและเมียกลับมาอาการของไก่ต้งฟูเป็นพ่อ น, นั้นรวยรินเต็มทีแล้วลูกก็บอกว่าพ่อถ้าพ่อไม่ไหวจริงๆพรุ่งนี้ให้ผมขันแทนพ่อเอะ ผมก็ลูกพ่อเหมือนกันโอ้โหพอมันได้ยินลูกพูดอย่างนี้มันโกรธมากทั้งๆ ท, ท, ที่ป่วยนะักลุกขึ้นยืนเลยคิดว่าแกเป็นใครชี้หน้าลูกเลยนะน้ำหน้าอย่างแกถ้าขันถาวนมันจะขึ้นไหมพูดเสร็จมันก็โกรธมากมันมีมานะของความเป็นซูปเปอร์ซีอสูงมากพย <c oughs> <c oughs> ายามบินด้วยแรงเฮือกสุดท้ายปายปีนขึ้นไปเกาะยีบนกากระไม้ เพื่อจะแสดงเดชาอนุภาพให้ลูกเห็นว่ามันไม่ง่ายลูกในการที่จะขันระดับนี้มันต้องฝึกมันต้องบวทเรียนมาก่อนแล้วพยายามจะโชว์พาวโชว์เดชาอะไรไมีให้ลูกเห็นโกงค่อยครั้งหนึง่งทีนี้ขอเอ็กปุ๊บก็หลุดจากกิ่งไม้นะกิ่งลุนล่นๆตกพุกขอหักตายคาที่ เพราเขาหักตายแล้วยังไม่พอเนาะตายังไม่หลับเลยตาเดือดค้งห่วงชาวโลกเคยได้ยินไหมวัดบางวัดนะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเจ้าวาดด้วยเจ้าคณะดําบนด้วยเจ้าคณะอำเภอด้วยป่วยจวนเจียนจะมรณภาพแล้วเนี่ยหลวงพ่อไม่ห่วงตัวเองแล้วห่วงแต่ลูกเน้นหลวงพ่อไม่อยู่สักคนหนึ่ง มันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อได้ไหมรู้ไหมว่าพอท่านตายไปในโรงเรียนลั่นฉิวเลย <c oughs> <c oughs> ท่านอะไรคือตัวปัญหา <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ลงปรงให้เป็นบ้างคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งเนะ โลกยังไปต่อได้เช่นเดียวกันเหมือนไก่ซีโอตัวนั้นพอมันตายปุ๊บวันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นไหมขึ้นลูกเล่เมียใช้ชีวิตต่อได้ไหมได้มีใครเดือดร้อนกับความตายของมันไหมนิดเดียวมีไก่ไม่กี่ตัวส่งพวงเรศมา <c oughs> <c oughs> จงไปสู่สุคตินะหัวหน้าไก่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกอีสาน ส่งพภงเก็ตมาไม่มีใครมาเพราะไก่ส่วนมากก็ติดกินในมวลหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องแบกโลกทั้งใบเราต่อให้ไม่มีเราโลกเขาก็หมุนต่อไปหลายคนพยายามที่จะแบกโลกทั้งโลกซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าการอุทิศตนรับใช้เพื่อมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดแต่เราต้องไม่ลืมว่าเราทุกคนมีเวลาจํากัด ในขณะที่หน้าที่การงานนั้นมันไม่จากัดต่อให้คุณกระโดดลงจากหลังม้าแล้วม้าก็มีคนใหม่มาควบต่อไปใช่หรือไม่ต่อให้คุณไม่ขันแล้วก็มีไก่ตัวใหม่มาขันใช่หรือไม่ฉะนั้นเมื่อไม่มีเราโลกหมุนต่อไปแต่เมื่อเราไม่มีเราทุกอย่างดับสูญอันนี้คือประเด็นเรื่องสุขภาพที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนจะต้องตรนกรู้ ท่านั่งรู้ว่าเมื่อเราให้เวลากับโลกทั้งใบเราเหลือเวลาให้โลกใบนี้ไหมโลกใบที่ชื่อว่าตัวเราไหมอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ขอฝากไว้ให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนฉุกคิดแม้กระทั่งพระพุทธองค์ของเราถึงแม้จะทรงงานหนักแค่ไหนก็ตามแต่พระองค์ท่านก็ยังมีวันพัก ถามว่าทำไมจึงทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาช่วงที่พระสงฆ์จำพรรษานี้ก็คือเป็นช่วงของการฟื้นฟรโบราณสุขภาพนั่นเองในบางพรรษาพระพุทธองค์ไม่ทรงให้ใครเข้าไปพบเลยนอกจากพระภิกษุที่ทำหนะ้าที่ทรงพระกระยาหารเท่านั้นปรงุงทรงเข้าเงียบทรงปลีกวิเวก พระพุทง์ที่พระทรงงานหนักพระองค์ก็ยังทรงแบ่งเวลามาดูแลสุขภาพเหมือนกันสุขภาพเป็นคําศักดิ์สิทธิ์เป็นภารกิจที่มองข้ามไม่ได้ประมาทไม่ได้อันนี้คือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์ถึงต้องมาเรียนรู้ที่จะฝึกกายคตาสติภาวนาที่นี่ในช่วงบ่ายเมื่อวันและกลางคืนพระอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์เรียนรู้เรื่องชั่วบ่งทองคํา เมื่อครูบาอาจารย์ตรหนักรู้ว่าเราแต่ละคนต่างก็มีเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องบริหารจัด ก, การชีวิตของเราให้เดชว่าชีวิตที่เหลือนี้เราจะเอาอยัางไงอะไรที่เราควรทําอะไรที่เราควรทิ้งอย่าไปคิดเฉพาะสิ่งที่ควรทําโดยหลงเลิมสิ่งที่เราควรทิ้งคนบางคนพลาดไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทําตั้งครึ่งค้อตชีวิตแล้วสิ่งที่ควรทํามารู้เอาตอนหกเดือนสุดท้าย ตอนเจนอยู่เจนไปในะเพิ่งมารู้ว่าโอ้ตายแล้วต้องให้เวลากับลูกกับเมียละอยากอ่านหนังสือธรรมะแล้วอยากดูแลสุขภาพแล้วอยากทำไปสรารพัดแต่เหลือเวลาแค่หกเดือนแล้วหกเดือนนี่อยคิดว่านานนะเวลาที่มันผ่านเราไปในะเหมือนพระอาทิตย์โคจรข้ามโพนฟ้ามันเร็วมากมากเหมือนสายน้าที่เมื่อเราเรียนแล้วก็ไหลอย่างรวดเร็ว เหมือนเปลวเทียนที่เมื่อพอเราจุดให้สว่างว่าบขึ้นมาแล้วมันก็ละลายตัวมันเองอย่างรวดเร็วฉะนั้นเวลาทุกนาทีนั้นมีแต่จะเลื่อนผ่านตัวเราไปเหมือนที่กวีคนหนึ่งเขียนเอาไว้น้ําไหลอายุไขก็ไหลล่วงใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพระค่าคืนวันจะกํำนันโลกนี้มีงานใดน้ําไหลอายุไขก็ไหลล่วง น้ำไหลไปไม่หวนคืนนะเวลาและวารีนะไม่มีหวนคืนอายุคนหวนคืนไหมมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านเลยนะครั้งหนึ่งอันารมภาพเคยอายุยี่สิบเจ็ดหน้าใสากิกเลยแล้วกำลังมีชื่อเสียงมากก็มีสื่อมวลชนมาขอสัมภาษณ์พระอาจารย์ก็รู้สึกหวนเรามันหน้าเด็กมากเลย อยากให้มันแก่เร็วๆมันจะได้ดูหน้าเชื่อถือกว่านี้สักพักเดียวมันขึ้นสามสิบปุ๊บอือเรารู้สึกว่ากำลังดีละวนะกำลังดีทีเดียวก็มีงานเยอะมากนะขึ้นควบบนหลังม้าแล้วทํางานทํางานทํางานมีความสุขเผลอแป๊บหนึ่งสามสิบห้าโอ้ทําไมมันเร็วขนาดนี้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเลยพลังมันลดลงวันหนึ่งเคยแทนห้างานสบายๆ อันนี้มาเทศสองงานรู้สึกงานที่สามไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เลยสามสิบห้ามาหลายปีแล้วร้อยงานไปหนึ่งงานตอนนี้นะร้อยงานไปหนึ่งงานแล้วสุขภาพกลายเป็นประเด็นใหญ่กลายเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตเป็นฝ่ายเลือกใช้ชีวิตไม่ได้มีชีวิตที่ถูกใช้เหมือนอยู่กรุงเทพอีกต่อไปอยู่กรุงเทพพระอาจารย์มีชีวิตที่ถูกใช้ คนนี้มันเยอะจริงๆนะไม่ไปก็ไม่ได้รู้จักกันทั้งนั้นคนก็เข้าถึงง่ายมากใช่ไมอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครพอมาอยู่ที่นี่ถ้าจะมาหาแล้วก็ต้องวัดใจกันนิดหนึ่งมันเหนือสุดในสยามผลก็คือเราก็สุขภาพดีวันเดียวนอย่างที่เห็นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่อาจประวิณเวลาได้ก็คือพอพ้นสามสิบห้าปุ๊บโอ้โหไปแล้วอายุไปเร็วมากเลย เหมือนรถขึ้นทางด่วนเห็นหลังอยู่ไว้ไวๆมันไปแล้วนี่เพลออีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะนะเลยหลักสี่แล้วเห็นไหมฉะนั้นน้ําไหลอายุไขก็ไหลล่วงจริงๆนะอย่าประมาทอายุอย่าประมาทเวลาใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝันใบไม้ที่หล่นจากขั้วแล้วอ่ะมันเปลี่ยวไปติดอีกไหมไม่มีทางชีวิตเราเหมือนกัน พอมันหลุดจากขั้วคือชีวิตแล้วจะให้มันปลิวมาติดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จริงอยู่เราอาจจะได้ยินข่าวคนตายแล้วฟื้นใช่ไหมฟื้นมานะถามหน่อยกี่คนที่สมประกอบต่อให้ฟื้นมาก็เลอะแล้วเล่าว่าไปนรกเล่าว่าไปสวรรค์บางคนก็เล่าว่าไปแล้วนะพญายมราชท่านบอกว่าทําบุญทําไม่กรวดน้ําเนี่ยนะ ไม่ได้กินน้ำแล้วตายไปนี่จำได้ดีมีปีนั้นนะมีคนตายแล้วฟื้นมาเล่าใช่ไหมดังระดับประเทศเลยพระไปบินทบาทกลับมามีแต่น้ำ <c oughs> ฉันแต่น้ำเห็นไหมใบไม้ร่วงชีวกรังอย่างความฝันต่อไปค่าเวลาคือพระค่าคืนวันกันที่เราค่าวันเวลาไปนี่โดยไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ เหมือนเราปล่อยให้วันเวลาไหลผ่านเราอย่างเปล่าเปลืองเสียได้ไมสิไ้ไหาได้สุดฉะนั้นอยากจับทาอะไรนะถ้าวันนี้ยังอยู่ในมือท่านต้องทำให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครมีวันนี้สองครั้งเคยเจอคนที่มีวันนี้สองครั้งไหมมีเงินหมื่นล้านเหมือนท่านคารินนพ่อมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านพ่อรวยขนาด น, นี้นะแต่พ่อนะ่ซื้อเวลาคืนได้ไ้ยก็ไม่ได้ ค่าเวลาคือพระค่าคืินวันฉะนั้นท่านจะไปมัวคิดว่ามีเวลาเยอะแยะมากมายให้เราค่านะเวลาน้อยกว่าที่เราคิดพระพุทธองค์เปรียบเรื่องความสั้นของเวลาว่าอุปมาดังดังด่งผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งทอผ้าอยู่ดึงได้ออกมาทอทอไปดึงได้ทอไปไปมองที่แกนได้โอ้ได้ยังเหลือเยอะดึงมาทอด้วยความเมามันทอไปสักพักโอ้ได้ยังเหลือเยอะไปมองอีกทีปั๊บ ดึงมาเอาได้หมดที่เห็นว่าได้เยอะๆจริงๆได้นิดเดียวแต่ทำไมจึงรู้สึกว่าได้เหลือเยอะนั่นเพราะว่าแกนได้มันใหญ่ได้ที่พันไว้ไมีนิดเดียวอันนี้คือมายาการของหลอดได้ท่านบอกว่าเมื่อเขาดึงได้ออกมาทอนั้นทุกๆครั้งที่ดึงได้ออกมาทอได้ก็สั้นเข้าสั้นเข้าเหลือน้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าและในที่สุดก็หมดลงอุปมาดังหนึ่งเราแต่ละคนเกินมาแล้ว ดึงวันเวลาในชีวิตมา่วยใช้ใช้ไปแต่ละเวลาแต่ละนาทีแต่ละขณะอึดใจแต่ละชั่วโมงหนึ่งนาทีสองนาทีสิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีใช้ไปใช้ไปใช้ไปแน่นอนเมื่อมันถูกดึงมาใช้เรื่อยๆเดียวมันก็หมดลงฉะนั้นเราจะมานั่งประมาทวันเวลาไม่ได้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าคโนโวมาอุปจจะ อย่าปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไรค่าแม้เพียงชั่วขณะอึดใจเดียวอโมรังที่วัสังกายิราอเปนะพระหุเกนะว่อย่าปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไรค่าจำมากหรือน้อยก็ควรจะได้อะไรบ้างเห็นไหมฉะนั้นเราจะมานั่งประมาทไม่ได้ต่อไปจะกำนันโลกนี้มีงานใดวันหนึ่งเราจะตายกันหมด นี่ที่นั่งข้างหน้านี้มีอันจะตายกันหมดพระนี่ ข, ข้างพระอาจารย์ขวามือเดี๋ยวก็ตายองค์นี้ที่เทศดีๆเห็นหัวรอเนี่ยเทศยังไม่รู้เรื่องอลหัวรอดนำแล้วเดี๋ยวก็ตายล้ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายที่นั่งอ่รมาภาพนี้มีใครจะไม่ตายไหมมีบอกเลยว่าหนึ่งเราจะตายจากโลกนี้กันหมดเ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือครองนะไม่มีอะไรที่เป็นของเราสรรพสิ่งคือของใช้ไม่มีอะไรเป็นของฉันใช่ไหมยึดติดถือมั่นอะไรนะฝึกปล่อยฝึกปลงบ้างเอาคาถาดิสทูเชลพัสนะเขียนแปลไว้ที่โต๊ะทำงานนะแล้วมันก็จะผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านเราหมดเลยมันไม่มีอะไรเป็นของเรานะ โลกหรือทรัพย์สินประด า, ามีเป็นดังหนึ่งสะพานเราแค่เดินผ่านแล้วก็ต้องจากไปไม่อาจยึดอะไรไว้เป็นของเราได้อย่างแท้จริงฉะนั้นวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ถามตัวเองไหมว่าเราจะฝากอะไรไว้แทนตัวเราในโลกนี้เช็คสเปียร์จากไปแล้ว พร้อมกันด้วยบทประพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเยอะแยะมากมายเลโอนาร์โดดาวินชีจากไปแล้วพร้อมกับด้วยภาพจิตรกรรมที่ประเมินค่าไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ภาพโมนาลิซาเจ้าของอรอยยิ้มลึกลับอับราฮัมลินคอนก็จากโลกนี้ไปแล้วพร้อมกับด้วยวัตถทองในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนหรือ การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนท่านได้ฝากรอยจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์แล้วสุนทรผู้ก็จากไปแล้วแต่ยังมีพระอภัยมณีต่างตัวท่านไมเคิลแจ็กสันก็จากไปแล้วแต่ยังมีเพลง v r อาร์เดฝากเอาไว้ให้ดูมาดิลีนมอนโรก็จากไปแล้วนะแต่ก็ยังมีภาพสวยงามของเธอเยอะแยะมากมายให้ไปคลิกดูใน Google สตีฟจ๊อบจากไปแล้ว แต่บริษัทแอปเปิลแลนะนวัตรกรรมก็ยังคงอยู่ในหลวงราชการที่ห้าก็จากไปแล้วแต่วันปิยมหาราชก็ยังคงอยู่พุทธทาสเพชรขก็จากไปแล้วแต่ก็ยังมีวรรณกรรมเพชรน้าหนึ่งอีกมากมายให้เราได้ศึกษาวันหนึ่งท่านทั้งหลายก็จะจากโลกนี้ไปคำถามก็คือท่านประดับอะไรไว้ในโลกนี้ น้ำไหลอายุไขก็ไหลร่วงใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพระค่าเกนวันจะกำนันโลกนี้มีงานใดค่อยคิดไหมกลับไปต้องคิดนะเดี๋ยวเราจะจากโลกนี้ไปแล้วขัดแย้งกับใครกลับไปไปขอขมาซะเลิกแล้วต่อกันเพราะถ้าไม่เลิกแล้วต่อกันก่อนนี้ท่านจะจากโลกนี้ไปนะชาติหน้าท่านเจอกันอีกแน่นอน คนที่ท่านไม่ชอบท่านอย่าไปต่อวีซ่าให้เขานะใครที่เราไม่ชอบนะก่อนตายถ้าไม่ได้ขอขอมากันไว้นะชาติหน้าเท่ากับนัดเจอกระดิกรอบหนึ่ง <c oughs> ฉะนั้นขัดอกขัดใจกับใครนะั้นไปยกเลิกซะอย่าไปต่อวีซ่าให้ศัตรูขอกมาลาโทษอโหสิกรรมต่อกันและกันซะจะได้ไปสบายเราต้องคิดวันหนึ่งเราจะไปละถ้าเราเป็นครู เราต้องคิดว่าอืมเราต้องไปปั้นเนนสักรูปหนึ่งให้เป็นนักเทศนักสอนชั้นยอดของโลกตั้งบาณิธานไว้เลหรือกลับไปปุ๊บฉันจะไปดูรูปตัวเองฉันจะเป็นครูที่น่ารักที่สุดทุกครั้งก่อนจะสอนเราจะเตรียมตัวอย่างดีที่สุดหรือเราจะเป็นพันธยาที่ดีที่สุด เป็นสา ม, มีที่น่ารักที่สุดเป็นลูกที่กระทันอยูที่สุดของพ่อของแม่คําว่าประดับไว้ในโลกาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งมหัศจรรย์พันลึกอะไรประดับไว้ในโลกหรอกทาอะไรก็ได้ที่มันมีคุณค่าหลับตาลงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่เสียดายที่ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่งอันนั้นแหละคือคุณงามความดีที่เราควรทําเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ให้ทําเมื่อวานคือการผ่อนพักตำหนักรู้ หรือกายคตตาสติภาวนาและชั่วโมงทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาเรามีเป้าหมายเพื่อให้คุณครูนั้นได้ย้อนกลับมาพินิพิจารณาชีวิตของตัวเองแล้วบริหารจาัด ก, การชีวิตให้เหมาะให้ควรให้ดีให้งามจนถึงขั้นที่เรียกกันว่าขึ้นให้ดีและลงให้งามเพราะถ้าเราไม่บริหารจัด ก, การชีวิตให้ดีเราจะเสียเวลาของชีวิตเปล่าเปลืองไปกับเรื่องไรค่า พอรู้ขึ้นมาว่าเวลาเหลือน้อยจับทำอะไรไม่ทันมันน่าเสียดายนะอันนี้คือกันของกิจกรรมที่ครูได้เรียนผ่านมาเมือ่อภาคกลางวันและภาคกลางคืนที่ผ่านมาเอาละในท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งของฝากคุณครูทุกคนให้เป็นครูในดวงใจของลูกศิษย์ ครูมีสี่ประเภทหนึ่งครูไก่สองครูเป็ดสามครูยักษ์สี่ครูพอดิษฐ์ครูไก่ก็คือครูที่เหมือนแม่ไก่แม่ไก่ตื่นเช้ามานี่ไปคุยเขี่ยอาหารใช่ไหมถ้าเจอปั๊บเรียกลูกไก่มากุ๊กอ่าเรียกลูกไก่มาตัวเองยังไม่กินให้ลูกไก่กินก่อนถ้ามีภายกางปีกป้องอันนี้ ก็เหมือนครูที่เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีทุกวันค้นตลอดเวลาเจอสรรพวิชาที่ยอดเยี่ยมเอามาป้อนให้เสร็จเสร็จมีปัญหาครูกางเปกป้องสองครูเป็ดเคยเห็นเป็ดไหมไปดูบ้านที่เขาเลี้ยงเป็ดเนอะตืนเช้ามาในเขาปล่อยเป็ดให้มันเดินทั่วสวนทั่วสนามเลยมันอยากไข่ตรงไห น, นมันก็ไข่ คนเก็บไข่ก็เดินเก็บเสษตะกา้ามันไข่อย่างเดียวแต่มันไม่ดูแลเหมือนครูบางคนสักแต่ว่ามีชื่อเป็นครูแต่ไม่รับผิดชอบสอนไปงั้นเดี๋ยวมีโอกาสก็ไปที่อื่นละลูกพระลูกเนรมีกี่รูปไม่จำเลยสอนให้มันจบจบไปอะไรมากไายไม่ต้องคิดมากไม่ใช่ลูกเรา เงินเดือนแค่นี้สอนอะไรมากมากนี่คือครูแป็ดสักแต่ว่ามีชื่อเป็นครูแต่ไม่รับผิชอบสามครูยักษ์ใช้ความรุนแรงสอนไม่รู้เรื่องหมานี่แหละมันหลังห้องหละมันต้องคุยกันไม่รู้ไปทําอะไรแต่พอเด็กกลับมาปุ๊บนั่งจ๋องเหมือนวิญญาณหายไปจากร่างครูปลิดวิญญาณ เด็กงอเลยใช้ความรุนแรงกับเด็กใช้ความรุนแรงกับลูกเสร็จทุกคําลูกเสร็จหุนหันพันแล่นต่อเสร็จโมโหโกรธฮาต่อเสร็จพอรู้ว่าวิชาถัดไปครูคนนี้จะมารังสีอัมหิดแผ่มาเลยครูคนไหนทําให้ลูกเสร็จรู้สึกอย่างนี้รีบปรับปรุงตัวเองนะแล้วต่อไปสี่ครูโพธิสัตว์ ครูหัวใจโพดิสระเป็นครูในอุดมคติลูกิเย์จะดีจะชั่วยังไงก็ตามจะทึมจะฉลาดยังไงก็ตามครูก็รักมองดูลูกิเย์เหมือนลูกตัวเองรักเป็นห่วงบ่วงใยปรารถนาดีต่อครูต่อต่อเิด ย, ยังถึงที่สดุดมองข้ามข้อจากัดของิทย์มองว่าปัญหาของิเย์คือโอกาส ที่ครูจะได้ฝึกตนให้เป็นครูมืออาชีพมองปัญหาของเสร็จว่าเป็นความท้าทายในวิชาชีพครูนี่คือครูโพธิสัตวว่ากันว่าที่จังหวัดแห่งหนึ่งมีโรงเรียนประถมอยู่แห่งหนึ่งในโรงเรียนประถมนั้นมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่มีฉายาว่าเจ้าทึ่มประจำโรงเรียนสอบตกเกือบทุกวิชา จนครูตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกปล่อยให้มันไหลผ่านไปไม่มีใครทวงสักคนให้มันผ่านผ่านไปให้มันจบออกไปจะได้หมดห่วงโรงเรียนจะได้ไม่เสียงบประมาณกับคนพันนี้เด็กคนนี้ครูทุกคนรู้จักเพราะมันโง่บรมมาโง่เลยแต่ครูทุกคนลืมหมดว่ามันมีวิชาหนึ่งที่ทําได้ดีดที่สุดคือศิลปะพอเด็กคนนี้จบไปครูโล่งออกเฮ้ยหมดห่วงแล้วที่นี่ ประกว่าเด็กคนนี้จบไปนะไม่สามารถเรียนวิชาสามัญได้เพราะหัวมันไม่ไปทางวิชาการครูไม่รู้ว่าพอจบป .6 แล้วเด็กไปไหนปรากฏว่าเด็กคนนี้ไปเรียนต่อสายศิลป์ไปเรียนต่อวิชาศิละปะไปจบโรงเรียนพาอช่างที่กรุงเทพต่อมาเขาก็กลับมาอยู่บ้านเปิดบริษัทรับเขียนป้ายรับออกแบบรับทางานโฆษณา อยู่ในตัวจังหวัดแต่ครูที่โรงเรียนเก่าก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตเด็กคนนั้นไปถึงไหนแล้วผ่านไปสิบกว่าปีอยู่มาวันหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะปั้นอนุสาวรีย์ใจกลางจังหวัดจึงออกประกาศให้ศิลปินทั่วประเทศส่งแบบเข้าประกวดเจ้าทึ่มของเราซึ่งบัด น, นี้เป็นเจ้าของกิจการรับทํางานศิละปะทุกชนิดส่งแบบเข้าประกวดประกฏ ว, ว่าชนะ ผู้ว่าเอารูปนั้นไปปั้นเป็นรูปเจ้าเมืองเก่าปั้นเสร็จทุนเชิญเสด็จมามาเปิดในวันที่เจ้านายพระองค์นั้นมาเปิดคนทั้งจังหวัดไปรับเสด็จรวมทั้งครูเก่าทั้งโรงเรียนมีเต็นท์เป็นร้อยล้อมมนุษย์สวัิรอยู่ครูเก่าทั้งโรงเรียนก็เป็นนั่งกันนู่นเต็นท์ได้ทายนู่น ครูทุกคนมาหมดแล้วครูคนหนึ่งก็มองมองไปที่เต็นที่เจ้านายจะมาประทับครูผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไ่าเฮ้ยครูครูนั่นมันเหมือนไอท้ทึมนะแล้วมันเป็นนั่งกับผู้ว่าทำไมมันเ ป, ป็นปัจิมันเจอกับผู้ว่าทำไมนะี่แล้วดูมันแต่งตัวสิเขาใส่ชุดขาวหมดอะ่ะแล้วมันใส่ชุดอะไรของมันครูครูเป็นครูไปทาชั้นเปจัดการหน่อย อาจารย์แม่ก็นหนึ่งอก็ ừ, เดือนเดือนจัดการเองไอ้นี่ <c oughs> อาจารย์แม่ <c oughs> เดินไปนี่เธอเธอจําครูได้ไหมศิลปินก็เออครับอาจารย์แม่ยังอยู่เหรอครับ <c oughs> โ, อโอ้ยังอยู่นะครับเนี่ย โ, โอ้แล้วมายังไงครับเนี่ยแล้วครูเก่าๆผมมาไหมผมมาทั้งโรงเรียนแหละนั่งไหนแหละครับครูครนู่นแต่นูนเธอเห็นปะ ศิลปินของเราก็มองตามไปยกมือให้อาจารย์ที่อยู่ในเต็นท์แกดูมันสิมันรู้การเทศะที่ไหน <c oughs> อาจารย์แม่กับบเธออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาครูว่าเธอเป็นนั่งกับพวกเราไหมนู่นน่ะทำไมครับครูก็ดูเธอแต่งตัวสิเ้าใส่ชุดขาวทั้งหมดน่ะ มันอายครูไปครูพูดแค่นี้แล้วนะ่ะเห็นไหมเนะี่ยเขามาไล่แล้วอาจารย์แม่ก็กลับไปครูเพื่อนๆก็ถามว่ามันว่าไงอาจารย์แม่รู้เรื่องไหมเออมันก็บ้าบอตามภาษามันแหละแต่เราก็ทําเต็มที่แล้วนี่เนาะช่างมันเนมันอย่างหัวขาด <c oughs> คุณครูก็เนินทามมันต่อไปไอ้นี่นะสมัยเรียนหนังสือมันก็งโง่อย่างนี้ย แล้วโตวมาเห็นไหมมันผิด ค, คําครูที่ไหนเหมือนเดิมนี่มันก็ไปป่วนเดี๋ยวมันก็ไปป่วนทุกว่าเดี๋ยวนี่มันจะโดนมหาเล็กจับโยนออกมาค่อยดูสิ <c oughs> สักพักหนึ่งเสียงเพลงมหาเลกมหาชัยดังขึ้นเตรียมละนะเจ้าหน้าที่เขาทดลองซ้อมเพลงละใกล้จะมาละ ว, วงโยธวาวัธิตซ้อมเพลงละทุกคนนั่งหลังตรงละแสดงว่าจวนละ สักพักหนึ่งวงโย่ส้มเพลงเสร็จก็กระชับเครื่องดนตรีในมือแล้วเราก็ได้ยินเพลงสันเสริญพระบารมีใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาครูว่าไปยืนรอรับไอ้ทึ่มของคุณครูเก่าทั้งหลายตามผู้ว่าไปครูเก่าทั้งโรงเรียนเอามือทาบอกหัวใจจะวายเห็นไหมมันทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะทำจริงๆมันจะผลไปถึงไหนไอ้นี่ครูเก่าเดือดร้อนกันหมด แล้วผู้ว่าและศิลปินโค้งพร้อมกันมายืนอยู่หน้าอนุสาวรีย์ผู้ว่าก็พายมือไปเธอเธออธิบายสิศิลปินก็อธิบายโมเดลต่างๆก็ชี้ให้ดูแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดครูก่าบอกเฮ้ยมันไปอยู่อะไรตรงนั้นอย่างมันเนี่ยนะมันจะคุยอะไรรู้เรื่องโง่กับบานนั้นใครไปบอกปัญทีสิ ครูก็หนึ่งหันมาบอกใครจะไปก็ไปผมไม่ไปเส <c oughs> ร็จแล้วก็ถึงเวลากดปุ่มเปิดอนุสาวรีย์เพราะว่าเราจะถ่มยืนอยู่ข้างหลังพระองค์ท่านครูตกใจชาวบ้า น, ช า, านชาวเมืองน้ำตาไหลพลูปีติเบิกบานชื่นชมเดชาบารมีแต่ครูเก่าทั้งหมดเดือดร้อนกันหมดเลย <c oughs> จนกระทั่งพิธีการเสร็จครูทั้งโรงเรียนยกคณะกันไปหาเจ้าถ่มซึ่งกาลังง่วนคุยอยู่กับแขก แต่ในสายตาของครูมันก็คือไอ้ทึมในสายตาผู้ว่าเขาคือศิลปินที่เป็นเจ้าของแบบที่ชนะเลิศและจังหวัดนำมาปั้นเขายิ่งใหญ่นานแล้วเขาไม่เก่งทุกวิชาแต่วิชาศิลปะนั้นเขาเป็นเลิศแต่ครูมองไม่เห็นครูเก่าทั้งโรงเรียนยกกันมาแปดคนโผล่กันครับอเธอเมื่อกี<ะ>้เธอ ไ, ไปทาอะไรอ่ะ ครูครับมาก็ดีแล้วครูเห็นอนุสาวารีย์นี่ไหมครับเห็นครูไม่ได้ตาบอดแล้วมันเกี่ยวกับเธอยังไงครูครับผมเป็นคนออกแบบครับเธอนี่นะออกแบบผู้วาก็หันมาใช่เขาเป็นคนที่ชนะเลิศในการออกแบบงานประติมากรรมชิ้นนี้แล้วนี่พวกคุณเป็นใครพวกคุณเป็นใครเนี่ย อาจารย์แม่ที่มาเมื่อกี้เดียนน่ะก็สอนเขาในคนนี้นะ <c oughs> เขามีแววมาจากไหนแต่ไร <c oughs> ผู้บาก็จับมือโออาจารย์แม่สอนเหรอค่ะครูนี่ครูประจาชั้น <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเพ <c oughs> ราะฉะนั้นคุณครูที่รักเวลาที่เราเจอลูกศิร็์ซึ่งเป็นตัวป่วนประจำห้องเป็นตัวปัญหา ประจำโรงเรียนครูจะสรุปว่าเสร็จคนนั้นหมดอนาคตเด็กทุกคนเกิดมาในโลกนี้ยังมีความหมายเสมอไม่มีหรอกที่เกิดมาแล้วเพื่อที่จะมาล้มเหลว อ, อยู่ในโลกนี้ทุกๆคนนั่นแหละเขาเกิดมาเขามีดีครูต้องหาดีในตัวเด็กให้พบแล้วลอหลอมเขาขึ้นมาแทรกแสงเขาให้น้อยที่สุดส่งเสริมเขาจัดสภาพแวดล้อมให้เขา ให้เขาได้เป็นอย่างที่เขาควรจะเป็นบอกเขาว่า you are beautiful as you are เธอนะงดงามอย่างที่เธอควรจะเป็นไม่เห็นจะต้องตามใครนี่คือการสอนของครูและครูที่เห็นเด็กมีปัญหาแล้วไม่รังเกียดรังออนไม่กลัวเกลียดชิงชังเลยใช้น้ำเย็นคือเมตตาเข้ารูปลูกเสร็จประคับประคองลูกเสร็จจนเรียนจบไปและในที่สุดเมื่อเขาได้เดมสดุครูก็ชื่นชมเขาไม่อิจฉาตาร้อนเขา ครูอย่างนี้นี่คือครูโพธิสัตว์ฉะนั้นพอเรากลับไปที่โรงเรียนของเรานะ <p> เห็นเด็กมีปัญหา <p> นั่งฟังครูน้ำลายไหลครูก็อย่าไปหมดหวังนะอย่าไปหมดหวังวันนี้เขาได้แค่นี้แต่วันข้างหน้าใครจะรู้ใช่ไหมฉะนั้นคนทุกคนนะ่ะเขามีดีหาดีในตัวเขาให้พบและส่งเสริมเขาครูที่ดีต้องมีสิทธิ์ที่ดีกว่าครูนะ และครูก็ไหนทำได้อย่างนี้อันเนี้ยครูพอได้สัตว์มองปัญหาของสิทธิ์เป็นความท้าทายมองอุปสรรคที่เกิดจากการเรียนการสอนมาเป็นโอกาสที่ฝึกหัดครูให้เป็นครูมืออาชีพครูที่เปลี่ยนไปได้ความรักและใจกว้างเป็นแม่น้ำอย่างนี้อันนี้คือครูพอได้สัตว์เป็นครูที่พึงประสงค์และครูที่รักลูกศิษย์เหมือนลูกครูคำว่าเหมือนลูกครูนี่หมายความว่าครูต้องรักลูกตัวเองด้วยนะ ไม่ใช่รักลูกศิษย์เหมือนลูกครูอออืืเราเลี้ยงมันด้วยลําแข้งทุกว่าอย่าทําอย่างนั้นกันลูกศิษย์รักลูกศิษย์เหมือนลูกครูก็หมายความว่ารักด้วยเมตตานั่นแหละเหมือนพระพุทธองค์เนี่ยทอดตามองคนทั้งโลกพระองค์รักเหมือนกันหมดองค์ุริมาน พ, พระ อ, นอนรงค์ก็รักพระอนุนพระองค์ก็รักพระราหุลก็รักพระเทวทัตก็รักกวีเขียนเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นช้างพลายธนบานไม่ว่าจะเป็นพระกุมารราหุล ไม่ว่าจะเป็นอังกุลิมานโจรร้ายหรือพระเทวทัตซึ่งรอบโปรงพระชนพระพุทธองค์ทรงรักบุคคลเหล่านั้นเสมอกันทั้งหมดทั้งเส้นด้วยพระมหาการุณาได้คนนี่ครูทุกค น, น, นต้องฝึกใจให้ได้ขนาดนี้รักทุกคนดูแลเสด็จทุกคนดังหนึ่งเป็นลูกเป็นหลานของเราถ้าครูคนไหนทําได้อย่างนี้ มีจิตใจที่เปลี่ยนด้วยความเมตตาการุณอย่างนี้อันนี้คือครูโพธิสัตว์ครูคนไหนทำไดน้นั่นคือยอดคนที่เป็นยอดครูเอาละก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะจบพระอาจารย์มีกวีนิพนธ์บทหนึง่งขอมอบให้ครูชื่อเธอคือโพธิสัตว์กวีนิพนธ์บทนี้บอกเล่าถึงจิตวิญญาณของการเป็นครูครบถ้วนทุกประการเนะพระอาจารย์ขอมอบให้คณครูทุกคน เมื่อเป็นของขวัญจากพระอาจารย์ถึงคุณครูทุกคนเอาลองมาฟังมาดูพร้อมๆกัน เธอคือน้ําฝนที่หล่นจากใจเธอคือดอกไม้หน้ากาลเวลาเธอคือสีสัน คือพ่อที่สัตว์ดวงจิตสวัสดิ์มุ่งดับยุกแขนชีวิตมีค่าถ้าหากบำเพ็ญ